พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห้าิบสองลำดับที่19โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่ส2บสองสิงหาคม2555ห้าห้าสิบห้ามีชื่อเรื่องว่าพ่อแม่คือพระอรหันต์ของลูกปิดโทรศัพท์ นะลูกหลานนะและก็พร้อมกันห้ามถ่ายรูปขณะที่หลวงพ่อกำลังพูดโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ่ายรูปที่มีแฟดนะดูนะพี่น้องลูกหลานดูอาหารเลี้ยงพี่น้องหลวงพ่อบอกว่าวัดของเราเนี่ยสวรรค์ไกลไกลไม่ใช่สวรรค์ทีเดียว ทำไมเนี่ยว่าสวรรค์ไกลๆพวกเราทําทําบุญอันไหนอันไหนก็ได้กินอันนั้นถ้าว่าพวกเราดูซิถ้ามาใส่บาตรหลวงพ่อมีแต่ขนมเสียงให้ทั้งหมดใช่ไหมพวกเราออกไปก็ต้องได้กินขนมเสี่ยงให้ใช่ไหะพราะพวกเรามาทําบุญขนมเสียงให้ใช่ะไห อ, อถ้าว่าพวกเราทําทําบุญมากับหลวงพ่อ พวกเราออกไปก็ได้กินเออาหารที่พวกเราทําบุญแต่ที่พวกเราใส่บาตรใช่ไหมเอาเข้าวถุงเอาอาหารถุงใส่บาตรแต่พวกเราบางคนก็บอกอเอาไปมีแต่อาหารถุงเอา้าตัวเองมาใส่บาตรอาหารถุงจะไปกินอาหารถ้วยได้ยังไงใช่ไหมเ<อ> <laughs> พเราะนั้นหลวงพ่อว่าวัดในสวรรค์ไกลๆพวกเราทําบุญอันไหนไว้พวกเราจะได้รับอาหารอย่างนั้นะ ในหลวงพ่อได้เตือนกับพวกอยู่ข้างล่างนะถึงจะเป็นอาหารถุงก็เถอะก็ต้องแยกให้ดูให้ดีมีทั้งข้าวมีทั้งกับมีทั้งหวานฮะควรจะมีอาหารแล้วก็มีถ้วยแล้วก็มีช้อนอาหารข้าวถาดนึงแล้วก็ของหวานพวกขนมนมเนยอีกถาดนึ่ง ถ้ามีพวกข้าวก็เอาข้าวสลับเข้าไปอันนั้นคือชุดหนึ่งเนี่ยลงพ่อเคยจัดอาหารที่วัดป่าบ้านตาดนะลวงพ่ออยู่ต่อหน้าลงตาลวงพ่อเคยจัดอย่างนั้นมีทั้งข้าวมีทั้งหวานมีทั้งข้าวมีทั้งถ้วยแล้วก็มีช้อนนะกลุ่มหนึ่งก็ให้ทานด้วยกันประมาณ6คนถ้ากลุ่มไหนมามากก็เพิ่มเขาอีกเป็นสองชดุด ถ้าคนไหนมาสองคนก็เรียกคนอื่นมาทานด้วยนะเพราะเป็นอาหารของวัดเพราะนั้นเรื่องอาหารเป็นสิ่งจาเป็นสำคัญเพราะนั้นขอให้พวกที่จัดอาหารนะดูให้ทั่วถึงไม่ใช่ว่าใส่เข้าไปในถาดก็มีแต่ข้าวอย่างเดียวมีทาหารอย่างเดียวอาหารวหวานไม่มีมันก็ไม่ได้บางคนก็ได้แต่ถาดอาหารหวานอย่างเดียว ไม่มีของข่าวของกลับเลยมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีผู้ที่จัดอาหารต้องดูให้ดีก่อนที่จะยกออกไปไม่ใช่จะยกสุมสี่สุมห้าถ้ายกสุมสี่สุมห้าเดี๋ยวเขาจะหาว่าแม่ครั ว, วัดนาคําน้อยแกล้งเราแล้วไวอ้อืวไม่ได้นะลูกหลานนะต้องดูให้ทั่วถึงเรื่องอาหารเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งนะแล้ววันนี้เป็นวัน 12สิงหาพุทธศักราช2555เป็นวันสำคัญยิ่งของชาติไทยเราคือเป็นวันแม่แห่งชาติคำว่าแม่คำนี้พวกเราที่นั่งด้วยกันทั้งหมดเกิดมาจากไหนเกิดมาจากแม่ใช่ไหมได้ เ, เกิดมาจากจอมปลวกหรือว่าเกิดมาจากโพรงไม้ไม่ถูกทั้งนั้นเกิดมาจากแม่เพราะว่าแม่เป็นสิ่งที่จาเป็นสาคัญ สำหรับลูกของเราทุกคนในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้ว่ามารดาบิดาเป็นพระรหันต์ของบุตริดาแต่บางคนก็นมาถามหลวงพ่อว่าทำไมจึงยกพ่อแม่ของตนเองเป็นพระรหันต์เทียมเท่ากับพระรหันต์ผู้หมดจดจากกิเลสอันนี้คำพูดนี้เป็นคำพูดที่น่าเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหน อันนี้เขาก็ถามลุงพ่อบอกเอออันนี้เป็นคําตรัสในพระไตรปิฎกมาจากพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้เปรียบเทียบว่าพ่อแม่ของเราเป็นพระอรหันต์กับทุกทุกคนไม่ใช่อย่างนั้นท่านบอกว่าพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของบทธิดาครับก็ชัดเจนอยู่แล้วเนี่ยเราจะปาฏิารไปที่ไหนอีกหรือว่าพ่อแม่ไม่มีบุญคุณสําหรับเราอย่างนั้นใช่ไหมก็ไม่น่าจะถูกมั่นกันนะปาฏิาริย์ยังบาป เพราะนั้นพ่อแม่เป็นพระหานของบุตรธิดาไม่ใช่ว่าพ่อแม่ของเราเป็นพระหานสำหรับทุกคนในโลกไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่อย่างนั้นคือบุตรธิดาเท่านั้นเองเราเกิดมาจากพ่อจากแม่ท่านใดพ่อแม่นั่นแหละพ่อแม่จองท่านนั่นแหละคือเป็นพระหานของเราใครก็ตามปามาทพ่อแม่ของเราเรียก ว, ว่าฆ่าพ่อแม่ของเราใครก็าาตามมาตุฆาตฆ่าบิดา ปีตุคาด่ฆ่าปิดาอหาหันตะคาต่าด่าพระหรันโลหิตตุบาทยังพโลหิตให้ห่อสังฆเพทยุโยงสงให้แตกกันอันนี้บาปหนักเสมอกันก็เป็นอันว่าทำร้ายพระพุทธเจ้ายัางพโลหิตให้หอก็ดีฆ่าพระหันก็ดีฆ่าพ่อฆ่าแม่ขอ ง, ของตนเองก็ดีบาปหนักที่สุดเป็นอนันตริยกรรมเอแปลว่าหนะักบาปหนักเพราะฉะนั้นให้พวกเรา คิดไปอยู่เสมอที่จะพูดอะไรกับพ่อแม่ออกไปพูดที่ให้ท่านช้ำ อ, อกช้ำใจเออเรือว่าพูดที่ไม่ถกูกอันนี้เราต้องระมัดระวังแต่ ถ, ถึงยังไงก็ตามอย่างพ่อแม่ของเราออกนอกดูนอกทางบางสิ่งบางอย่างบางครั้งเราก็ต้องตักเตือนท่านอันนั้นเป็นธรรมดาลูกที่ดีก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่เราจะไปกระโชกหกหากจะไปด่าพ่อด่าแม่อันนั้นไม่ถูกต้องถึงพ่อแม่จะทำยังไงเราก็ต้องพยายาม ใช้อารมณ์ใช้สติใช้ปัญญาของเราพยายามพูดตล่อมให้พ่อแม่เข้าใจในในทางที่ถูกต้องอันนี้ก็มันเหมือนกันกันกบลูกใช่ไหมกับพ่อแม่ของเราเห็นไหม เ, เมื่อเราเป็นเด็กเราไม่มีเหตุไม่มีผลอะไรเลยกระจองงองแงนะถ้าพ่อแม่อารมณ์โมโหขึ้นมาจับขาเวียนจะต้นเสาสั้นเราจะเกิดเป็นคนมาได้หรอ้อ ที่ท่านเลี้ยงดูเรามาท่านก็อดทนเหมือนกันกับเราเมื่อท่านเท่าแก่าชร า, าแล้วเราจะไม่มีความอดทนกับพ่อแม่อย่างนั้นใช่ไหมก็ไม่น่าจะถูกเหมือนกันในเมื่อท่านอดทนกับเราจนเราเป็นผู้ใหญ่ถึงขนาดนี้ในเมื่อท่านเท่าแก่าชร า, าลงไปทุกพลภาพลงไปทางร่างกายใจของท่านอาจจะแปรเปลี่ยนแปรปวนปิดปกติก็ได้พวกเราในฐานะลูก ที่มีสติสัมปชัญญะอย่างดีอยู่เราก็ควรจะช่วยเหลือพ่อแม่ของเราให้ดูแลพ่อแม่ของเราจะเกื้อกูลหนุนอย่างไรพ่อแม่ของเราขาดตกบกพร่องอะไรในสุขภาพในปัจใจสี่ของพ่อแม่เราพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไรเป็นหน้าที่ของบุตรธิดาทุกคนเพราะว่าอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเบื้องต้นว่า พ่อแม่เป็นพระหันของบุตรธิดาถึงจะมีบุตรเจ็ดแปดเก้าคนก็ดีอถึงจะมากกว่านั้นก็ดีก็คือพ่อแม่ของเราคือเป็นพระหันของบุตรธิดาทุกคนนรื่องจะเป็นลูกคนเดียวก็คือพ่อแม่ของเราคือพระหันของเราเราควรปฏิบัติอย่างไรต่อพระหันเมื่อเลี้ยงท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านต่อในหลักธรรมคําสอนทํากิจธุระของท่าน ดำรงวงสกุลประพืชตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้ท่านขณะเมื่อท่านตายไปแล้วก็ยังไม่ให้ละทิ้งนะเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยตั้งแต่ศีรษะจนถึงฝ่าเท้าเนี่ยเราได้มาจากใครยังเป็นสมบัติของพ่อของแม่เราเนะี่ยคือใครเราก็คือผู้รู้คือใจใจของเราได้ร่างกายนี้มาได้มาจากพ่อจากแม่เพราะฉะนั้น เราเรีร่างกายนี้เรานำนำร่างกายนี้ไปทํามาค้าขายก็ได้เงินคําทรัพย์สมบัติมาเราก็ทําบุญไว้ในพระพุทธศาสนาจะไปทําบุญวัดไหนก็ได้ไม่ใช่ทําบุญวัดหลวงพ่ออินนะทำวัดไหนก็ได้ที่เกิดประโยชน์ที่สร้างสาธารณประโยชน์ก็ได้อย่างสร้างโรงพยาบาลหรือสร้างเครื่องไม้เครื่องมือทําบุญผ้าป่าในถาวายสมเด็จพระสังฆราชอย่างนี้ก็ได้อันนั้นล้วนแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศล คือนำร่างกายจากพ่อแม่ที่ท่านให้มาเนี่ยทำให้เกิดประโยชน์แล้วคนนําจะตุปัจจัยที่ร่างกายอันนี้แสวงหามาได้จากนั้นก็นําไปถวายส่เถ็จพระสังฆราชหรือถวายสาธารณประโยชน์หรือบํารุงพระพุทธศาสนาสรุปแล้วก็คือใจของเราเหมือนเกิดโซเฟอร์โซเฟอร์รถนะจะเปรียบเทียบให้ชัดเจนก็คือใจของเราเหมือนโซเฟอร์รถ เรานำรถคันนี้ไปรับจ้างร่างกายของเราไปรับจ้างพอเราไปรับจ้างได้แล้วไปขนคนก็ดีไปแกกบรรทุกของอะไรก็ดีเราได้เงินมาโจเฟอร์ได้เงินมาเราก็ควรจะเอาให้พ่อให้แม่ของเราทดแทนพระคุณบิดามารดาของเราถึงท่านจะตายไปแล้วแต่ว่าเราบรรทุกรถคันนี้ยังอยู่ไปทำงานได้เงินมา เราก็เอาเงินอันนี้ฝากไปให้พ่อให้แม่ด้วยเนะฝากกับไปชนีไปส่งทางไปชนีไปไปให้พ่อให้แม่พ่อแม่ของเราถึงจะล่วงลับรับคันไปพวกเราก็ไม่มั่นใจว่าจะไปที่ไหนแต่ในหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านบอกว่าถ้าว่าตายไปแล้วพ่อแม่ของเราตายลงไปไปตกนรกเราทำบุญอุทิศ่วนกุศนให้ไม่ถึง เหมือนกับพ่อแม่ไปอยู่ในคุกอย่างนั้นแหละพ่อไปส่งเข้าไปกคนนี้พญายมพบาลไม่ได้เรียกเข้ามาเนี่ยไม่ได้เรียกพบญาติอเปง่ายบุส่งบุญมาไม่ได้หรอกยังติดคุกโยบุญกุศลไปไหนถ้าพ่อแม่ติดคุกบุญกุศลก็กลับมาหาเจ้าของเดิมเจ้าของเก่าผู้ส่งไปถ้าว่าไปชนีซื่อสัตว์นะไปชนีซื่อสัตว์ก็คืออะไร คือเราทําทําในสิ่งที่ถูกต้องอย่างพระสงฆ์เป็นผู้ทรงศีลอย่างเนี้หรือเป็นพระอริยะบุคคลอย่างนี้หรือว่าทําบุญสาธรารณประโยชน์อนี้อันนั้นคือไปชนีที่ที่ซื่อสัตย์เมื่อเราทําบุญไปแล้วไม่ถึงผู้รับบุญกุศลก็กลับมาหาผู้สง่งไม่ไปไหนแต่ถ้าว่าเราส่งไปแล้วพ่อแม่ของเราไปสู่สวรรค์สู่สวรรค์ก็ไม่ถึงอีกไม่ได้รับอีกเพราะอหไรเพราะ ท่านไปอยู่สู่สวรรค์แล้วบุญกุศลก็ไปไม่ถึงอีกเพราะอาหารสวรรค์คืออาหารอย่างหนึ่งถ้าพ่อแม่ของเราไปเกิดเป็นสัตว์ทีละชันไปเกิดเป็นช้างม้าวัวควายหมูหมาเป็ดไก่เพราะตายไปแล้วท่านทําบาปกรรมเราก็ไม่รู้ว่าท่านทําบาปอะไรเพราะท่านไปเกิดเป็นสัตว์ทีละชันเราทิดส่วนกุศลให้ก็ไม่ถึงอีกเพราะอะไรเพราะท่านพ่อแม่ของเราเกิดเป็นช้างอาหารของช้างก็คืออะไรคือหญ้า บุญกุศลไม่ถึงแล้วถ้าเกิดเป็นเสืออะไรอาหารของเสือคืออะไรถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์ก็คืออะไรอาหารของมนุษย์ก็ไม่ถึงอีกก็กลับไปหาเจ้าของอีกนี่แหละถ้าว่าไปเกิดยังไงจึงได้รับพระพุทธเจ้าเกิดเป็นเปรตวิสัยเปรตอสุรกายตายลงไปแล้วบุญก็ไม่มากบาปก็ไม่มากเลื่อนลอยอยู่เลื่อนลอยอยู่ ไปที่ไหนก็ไม่ได้จะไปตกนรกก็ไม่ถึงจะมีบาปกรรมถึงขนาดนั้นไปสู่สวรรค์ก็ไปไม่ได้เพราะไม่มีบุญไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่พร้อมที่จะไปเกิดโดยเป็นเปรตเลื่อนลอยพวกลูกหลานไปทําบุญที่ไหนก็แบบอบแอบรอมรอมมองมองตามหลังไปเออขอให้ทําบุญอุทิศให้เราเถิดเถินลูกหลานนะถ้าเมื่อเราทําบุญในพระพุทธศาสนาหรือทําบุญอะไรลงไปที่เป็นบุญเป็นกุศล ให้เราน้อมลำลึกถึงเออบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทําไว้ดีแล้วนี้พ่อแม่ของเราตกทุกข์ได้ยากอย่างไรอยู่นสถานที่ใดก็ขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากข้าพเจ้าได้ทําบุญในครั้งนี้โดยเทินคือให้น้อมจิตลำลึกถึงรับอุทิติส่วนกุศลนี่แหละพ่อแม่ท่านจะได้รับคือพ่อแม่ของเราเป็นเปรตอสุรกายแล้วเปรตวิสัยคือเป็นวิญญาณที่ล่องลอยอยู่ ไม่ได้รับบาปกรรมอะไรมากนี่แหละหลักของพุทธศาสนาท่านได้บอกกล่าวไว้อย่างนั้นเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี่ที่นี่เราเมื่อรู้แล้วว่าการทำดีได้ดีการทำชั่วได้ชั่วถ้าเราควรจะทำสิ่งไหนเราควรรีบทำแต่ยังมีชีวิตอยู่เราไม่ควรจะเมื่อตายไปแล้วให้ลูกให้หลานทำให้บางทีลูกหลานทำให้ผิดผิดถูกๆ เพอเผลอทำไม่ถูกอีกต่างหากพวกเราก็เปล่าประโยชน์เพราะนั้นในขณะที่เราได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องพระพุทธศาสนาได้ฟังทำคำสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราจะทำสิ่งไหนเราก็ทำซะทีบทำพอทำเอาเป็นที่พอใจแล้วบอกลูกหลานเขาเลยลูกหลานเอ้ ย, อยปู่ย่าตายายพ่อแม่ทำเอาละบุญลูกหลานไม่ต้องทะเลาะ ก, กันนะมือพ่อแม่ตายไปแล้วเ ให้จัดการไปเลยให้ไปเผาเผาไปซะแล้วก็เงินคําทรัพย์สมบัติตรงนั้นตรงนี้ที่ดินตรงนั้นตรงนี้แบ่งกันช น, นะอย่าทะเลาะกันอแต่ทําบุญให้พ่อให้แม่ไม่ต้องห่วงเพราะพ่อแม่ทําเอาแล้วพ่อเนี่ยทําเอาแล้วไม่ต้องห่วงเหมือนกัะหลวงตามหาบัวท่านสั่งพวกเราท่านบอกว่าเราตายไปแล้วไม่ต้องทําบุญให้เรานะไม่ต้องสวดมาติกาบังสกุลอีกต่างหาก ไม่ต้องสวดอะไรอีกเราทำเอาพอแล้วอสําหรับเราเราพอแล้วมีแต่พวกท่านทั้งหลายนะ่ะยังขาดตกบกพร่องยังจนจนอยู่ยังจะมาแบ่งเงินให้เราอีกเหรอเราเป็นมหาเศรษฐีแล้วไม่ต้องเอามาให้เราลักษณะอย่างนั้น่ะที่ลงตามหาบัวท่านบอกเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกัน่ะถึงจะไม่ถึงขนาดนั้นหลวงพ่อบก็ควรจะสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าจูใจของพวกเรา ในเมื่อพวกเรามีบุญมีกุศลแล้วไปนสถานที่ใดมีแต่ความผาสุกค่ะไม่ใช่ว่าเราเกิดมามีแต่เที่ยวมีแต่เล่นมีแต่สนุกสนานมีแต่ห่วงหาอะไรลูกคนนั้นหลานคนนีออ้อยากจะล่ำอยากจะรวยอย่างง่วนอย่างนี้มีแต่สะแสวงหาอย่างเดียวคนไม่มีบุญถึงหาอย่างไงมันก็ไม่รวยเพราะเหตุไรเพราะอดีตชาติของเราไม่ได้ทําบุญไว้มากพอ แต่คนที่ทำบุญไว้ในอดีตชาติไม่ต้องหาเนี่ยทำบุญไว้แล้วจะเกิดเราจะไปเกิดที่ไหนที่ไหนรวยๆชาตินี้เราจะไปเกิดเป็นเศรษฐีใช่ไหมเราไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีเลยรวยเลยไม่ต้องคิดยาก ค, คนมีบุญแล้วก็เราจะไปเกิดเป็นที่ไหนเราจะเรียนหนังสือชาติเนี่เราจะศึกษาวิชาความรู้แล้วก็ไปเรียนลูกเป็นลูกด็อกเตอร์ที่เป็นอาจารย์สอน เราก็เรียนหนังสือเลยเนั่นละคนมีบุญแต่บางคนก็อย่างว่านะพอเรียนเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้อย่างที่ใจคิดพกเกิดถึงเป็นลูกดอกเตอร์ก ok ็เถอะเกเลเกตุงไม่รู้อะไรต่อไม่อะไรทำให้เสียหายพ่อแม่ต่างหากก็มีต่งเยอะแยะอีกเหมือนกันไม่สมลูกผู้ที่สูงสง่งอย่างนั้นก็มีต่เยอะแยะเหมือนกันอันนั้นก็จะแงแบบบาปพาไปเกิดเหมือนกันนะ บาปพาไปเกิดแต่อันนี้สงบุญก็มีอยู่แต่ส่วนหนึ่งคือบาปอกุศลได้ทำไว้ไม่ดีพอเกิดคือมาแล้วก็หลงผิดหลงถูกไปหลงทิศหลงทางไปติดทางอบายยมุกไปทาให้เป็นคนช่วยชาติเสียหายไปอย่างนี้ก็มีเหมือนกันที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเพราะโลกนี้มีมากมายที่พวกเราได้เห็นเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านได้มาพบมาเจอ ประทำคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วให้ประกอบตนเป็นคนดีสรุปแล้วคิดดีให้คิดดีทดดําดีพูดดีถ้าว่าพวกเราคิดดีทดําดีพูดดีแล้วนั่นแหะผลที่ออกมาจากความดีนั่นแหะจะไปสู่สุขติไปเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่ดีไปสู่สวรรค์สันพรมไปได้ทั้งนั้น ถ้าเราชำละจิตใจของเราบริสุทธิ์แล้วก็หมดจดจากกิเลสเข้าสู่ทิพานเพราะเป็นคนดีถ้าเราเป็นคนเลวคนชั่วคิดก็คิดชั่วทําก็ทําชั่วพูดก็พูดชั่วเนี่ยทั้งชั่วทั้งทวารทั้งสมทั้งกายทั้งวาจาทางใจแล้วอย่าหวังเลยจะไปสู่สุขคติได้ทั้งพบน้ชาตินี้ก็เถอะถ้าคิดขึ้นมาแล้วก็คิดมีแต่จะปน้นจะฆ่าจะคดจะโกงจะขโมย จะเบียดจะบังของเขาไงพอคิดไม่ดีพอทําออกไปกันนี่นะไปเห็นใครมีแต่ฉกชิงวิ่งเลา่าโคดโกงเขาอไปเห็นคนก็พูดถากพูดถางพูดหลอกพูดรวงเขาผู้นั้นมีแต่เข้าคุกอย่างเดียวไม่ไปทางอื่นเพราะอะไรเพราะคิดชั่วทำก็ทาชั่วพูดก็พูดชั่วในชาตินี้ก็เห็นแล้วโกนก็ทําเช่นนั้นต้องไปทางต่ําจะไปทางสูงได้ยังไงออกจากภพนี้ชาตินี้ไปอีก บาป ก, กรรมที่ตนได้กระทําไว้เนะี่ยจะต้องไปสู่ทุ ก, กติอีกเกิดพบหน้าชาติหน้าเขาก็ไปจับลงนรกไปก่อนให้ไปเผาซะก่อนไปเผาวิญญาณตอนนั้นซะก่อนให้หลอหลอมขึ้นมาให้มันเข็ดเนีแล้วมาเกิดเป็นมาใช้กรรมอีกเป็นนกเป็นหมูหมากาไก่อีกพอเกิดเป็นสัตว์ทิฏฐิฌานกับปรารถนาอยากจะให้สูงเมื่อเป็นเมื่อเกิดเป็นหมาโอ้เกิดพบหน้าชาติหน้าขอให้ข้าเป็นมนุษย์ยเถอด พอเกิดเป็นหมาในทรมานเหลือเกิน อ, อจะได้กินก็ต้องมนุษย์เอาให้ทั้งกินก็ทั้งทุบทั้งตีทั้งด่าอีกต่างหากเพราะเป็นหมาเขานะนี่คือไฟสูงหมามันมันก็อยากเป็นมนุษย์เหมือนกันนะไฟสูงอย่างเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายเดี๋ยวนี้แหละพวกท่านทั้งหลายไม่มีละใครจะเป็นไฟต่ําไม่มี อ, อผู้ฆ่าเกิดมาพบเนิชานี้เกิดพบหนาชานาขอให้ได้เป็นคนทุกข์คนจนแล้วให้เกิดเป็นหมูหมากาไกานะ่เน้อ ไม่มีใครคิดนะมีแต่คิดในใจว่าเออข้าพเจ้าเกิดมาพบนิชาตินี้ได้ระดับนี้ขอให้ทางว่ามีพบมีชาติอยู่ขอให้ข้าพเจ้าเกิดในที่สูงส่งให้เป็นมนุษย์ที่ร่ํารวยให้มีมีสติมีปัญญาอันนี้คือความใฝ่ฝันในวิญญาณทุกวิญญาณไม่ว่าสัตว์เลี้ยฉันไม่ว่ามนุษย์นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วว่ามนุษย์เกิดมาหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายเกิดมาเกิดมาจากกรรมกรรมคือการกระทํา ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วที่พระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษานที่โคลนต้นโพนจุตูปะปาตะญานที่พระพุทธเจ้าได้ตัดรู้เที่ยงคืนตุตูตตปะปาตะยานการเกิดการตายของสรรพรสัตว์ทั้งหลายสัตว์ตรงนี้สัตว์ตัวนี้คนคนนี้เกิดมาจากไหนชาติทีแล้วเขาทําอะไรทํากรรมอะไรเอาไว้จึงได้มาเกิดอย่างนี้ทําไมหูหนวกตาบอดอย่างนี้ทําไมเป็นบ้าอย่างนี้ เพราะอะไรชาติที่แล้วเขาทากรรมอันไหนพระพุทธองค์รู้หมดว่ากรรมคือการกระทําเป็นสายยาวเหยียดมาเหมือนกับคนขี้เกียจเรียนหนังสือเกิดมาก็ขี้เกียจเรียนหนังสือเกเรอีกต่างหากเออพอเป็นใหญ่ขึ้นมานะจะเป็นรัฐมนตรีกับเขาไม่ได้เพราะอะไรเพราะตัวเองขี้เกียจแต่แต่เป็นสมัยเป็นเด็กเกเรอีกต่างหากไม่ฟังคําใครอีกต่างหากทั้งพูดกฎเลวการกระทําก็เลวอีกต่างหาก แล้วจะเป็นผู้ใหญ่ได้ยังไงเพราะอะไรเพราะกรรมคือการกระทำสมัยเป็นเด็กเขาทำตัวไม่ดีแล้วจะเป็นผู้ใหญ่ได้แต่คนที่เป็นคนดีจะเป็นผู้ใหญ่ได้สมัยเป็นเด็กเขาเรียนหนังสือแล้วก็เป็นคนเด็กดีตั้งอกตั้งใจแล้วก็สอบที่ไหนก็ได้แล้วก็เป็นที่ยอมรับของคู่คนชุมชนสังคมเป็นที่ยอมรับอันนั้นเขาก็ต้องได้ดีเป็นธรรมดาเพราะอะไรเพราะเขาทาดีกรรมคือการกระทาเมื่อทาดีแล้ว ผลของการทําดีจะต้องส่งไปสู่ความดีไปเรื่อยๆถ้าทนทําที่กรรมชั่วก็เหมือนกันอ่าก็จะต้องกรรมชั่วไปเรื่อยๆเอีแล้วคนที่เกิดมาพบนิชานี้เป็นอะไรเป็นวิบากกรรมในอดีตที่ตนเองได้กระทาเออพรเกิดขึ้นมาเด็กยังไม่ได้ทำกรรมอะไรทำไมจึงทําไมจึงโง่ทำไมจึงตาบอดนะเนี่ยเพราะอะไรเป็นวิบากกรรมในอดีตชาติที่ทําไว้แล้วดวงวิญญาณนะั้นได้ทําสิ่งที่มีดีไว้ มาเกิดมาพบนี้ชาตินี้ก็มาเกิดมาเนี่แหละเป็นคนพิกลพิการหูหนวกตาบอดเพราะเหตุอะไรเพราะกรรมในอดีตเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเป็นพระบาลีว่อาอักตังทุ ก, กตังเสยโยปัจชาตะปฏิลุ ก, กตังกรรมชั่วอย่าทําเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําแล้วจะทําให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะนั้นพระพุทธเจ้าไม่ให้ทํากรรมชั่วคิดดีทดําดีพูดดีพวกนั้น ท่านผู้นั้นจะไปสู่ความสุขความเจริญเราะนั้นขอให้พวกเราคณะจต่าญาติโยมลูกหลานทุกคนนะเมื่อได้ยินได้ฟังหลวงพ่อพูดแล้วหลวงพ่อหาเหตุผลมาให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาหลวงพ่อคิดว่าสรนมาให้พวกเราได้คิดนี่อันนี้คือทำคําสอนของพระพุทธเจ้าในวันที่เป็นวันแม่แห่งชาติอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวพ่อแม่คือพระหานกองบุตรทิดาเมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้ว เลี้ยงท่านตอบทำกิจธุระของท่านดำรงวงศกุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านร่วงรับไปแล้วทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านเพราะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลมาหามงคลอย่างยิ่งเป็นวันแม่แห่งชาติเป็นวันสมภพหรือว่าเป็นวันประสูติหรือเป็นวันเกิดของพระราชินีของพวกเราที่พวกเรารัเคารพนับถือ เป็นร่มโพ ร, ร่มใสของประเทศชาติบ้านเมืองเพราะนั้นถือว่าวันนี้เป็นวันมงคลมหามงคลวันหนึ่งขอให้พวกเราทุกๆท่านทำตนให้เป็นคนดีคิดดีพูดดีทำดีอย่างหลวงพ่อได้กล่าวพวกเราจะประสบแต่ความสุขความเจริญต่อนนี้ไปคณะสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพร